สู่สถานภาวนาพอนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นคอสเข้มนะแต่จะเข้มหรือไม่เข้มมันก็อยู่กับเราแนะ่ล <c> ะ <oughs> ว่าเราเข้มไหมตั้งแต่ผมปฏิบัติแรกๆ ผมปฏิบัติในคอสคุณแม่สิริซึ่งก็ถ้าใครเคยเข้าก็จะรู้ว่าโอ้โหหนักมากเลยเดินนั่งเดินนั่งต้องใช้ความเพียรเยอะจากนั้นผมก็มาเข้าคอสเข้มเขาบอกว่ามาเข้าคอสเข้มผมก็สงสัยว่ามันเข้มยังไงไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเช้าก็มีแค่ะคระฆังปุกอยากจะกินข้าวกี่โมงก็เจ็ดโมงถึงแปดโมงก็ไปทานเอา ก็ไม่เห็นมีใครมาต้องบอกว่าต้องทำอะไรสิบเบ็ดโมงาก็ตั้งอาหาราก็ไปทานเอาเข้มตรงไหนผมสงมันเข้มตรงไหนพอเห็นคนเดินนั่งเดินนั่งกันมากๆเราก็เอ๊ะทำไมเขาถึงขยันกันจังทีนี้ชักนั่งไม่ติดก็ต้องเดินนั่งเดินนั่งกับเขา ถามคนที่เขาเดินนั่งกันว่าขอโทษนะคุณทําได้ว oh, oh, oh. ันละกี่บันลังเนี่ยผู้หญิงเขาก็บอกว่าสิบเอ็ดโอ้โหสิบเอ็ดบัลังเลยเหรอเดินครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงเเดินครึ้นชั่วโมงนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงถือเป็นหนึ่งบันลัง ก็คือหนึ่งรอบหนึ่งบอลลังสิบเอ็ดบอลลังผมก็มานั่งคิดแปลว่าสิบเอ็ดชั่วโมงยังไม่นับเวลาข้องน้ำทานข้าวแล้วก็ทำกิจส่วนตัวเดินไปเดินมานั่งพักผ่อนจิบกาแฟจิบน้ำชาเลยยังไม่ได้นับถ้าตื่นตีสี่นอนสี่ทุ่ ม, มโอ้โหสิบเอ็ดบลลังวันรุ่งขึ้นผมก็เลยลองเต็มที่เลยเอา ขนาดคนอื่นยังทําได้นะสิบเอดบอลลังผมเต็มที่เลยนะสุดแรงสุดใจขาดดิ้นเลยลองนับดูได้เจ็ด <c oughs> พอตัวเองได้เจ็ดปุ๊บรู้สึกเลยว่าโอ้โหเขาทำาได้ไงว่าสิบเอ็ดบอลลังเพราะว่าเดินนั่งเสร็จแล้วเราก็เออเดินออกไปพักหน่อยไอดูเหมือนน้อยแต่พออามารวมกันมันก็เยอะมันไม่ได้สิบเอ็ดทำยังไงก็ไม่ได้สิบเอด เพราะว่ายังไม่ได้นับเวลาสวดมนต์อีกอาบน้ำอีกแสดงว่าผมนั่งดูหลังจากนั้นก็เลยนั่งดูเธอทำตัวเองเลยไม่ได้ทำนั่งดูเ้าทำว่าเขาทำยังไงได้สิบเอ็นลังคือเขาไม่หยุดเลยอะ่ะมันไม่ผมรู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหยุดพักเพราะถ้าหยุดพักเมื่อไหร่คือไม่ได้อะ่ะไม่ได้สิบเอ็ดลังวันที่สองผมก็ลองเต็มที่ใหม่เหลือหก <laughs> เอ๊ะยิ่งทำยิ่งลดทีนี้วันที่สี่เพราะวันที่สามสอบประหลงก็เลยไม่นับเยี่ยมลำบาก ว, วันที่สี่ลองดูใหม่เหลือสี่ทีนี้หายไปเรื่อย <c oughs> แต่คงเขายัางสิบเอ็ดคงที่เลยก็สุดยอดตอนหลังผมมีโอกาสกลับไปบรรยายธรรมผมได้พบคนที่เดินสิบเอ็ดบัลลังวันนั้น หลังจากวันที่ผมปฏิบัติแล้วหลังจากนั้นประมาณเจ็ด <promotions> ปีผมได้พบกับคนที่ผมถามเขาว่าเดินกี่บัลลังเขานั่งฟังธรรมอยู่ข้างล่างผมบรรยายธรรมอยู่ข้างบนเขาเดินมาอนุโมทนาอสมัยก่อนอาจารย์ปฏิบัติครั้งแรกดิฉันปฏิบัติมาสามสิบปีผ่านมาสามสิบเจ็ดปี อาจารย์ไปอยู่ข้างบนดิฉันก็ยังเดินอยู่ข้างล่างผมบอกว่าเครียดไปหรือเปล่าสิบเอ็ดบหลังบางครั้งมันตั้งใจจนกระทั่งไม่เห็นสภาวธรรมนะผมเดินจงกรมนั่งสมาธิเสร็จก็เดินออกไปพักที่ระเบียง นี่คือเหตุที่ผมทำยังไงก็ไม่ถึงสิบเอ็ดเพราะผมออกไปพักขณะที่ผมเดินไปพักตอนเช้าเห็นดอกบัวชูช่อพอตอนเย็นขณะที่ผมเดินไปพักผ่านระเบียงที่เดิมดอกบัวมันเหี่ยวข้างในมันสลด แล้วก็ร้องไห้ผมก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมแค่ดอกบบยเหี่ยวต้องร้องไห้จริงๆมันไม่ได้ร้องไห้เพราะดอกโบวเหี่ยวมันร้องไห้เพราะอนิจจังการปฏิบัติทั้งหมด การเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือให้เกิดสัมมาสมาธิเมื่อเกิดสัมมาสมาธิจะเป็นปัจจัยให้วกกลับไปเกิดสมาธิฏฐิเพราะฉะนั้นสมาธิฏฐิในเบื้องต้นเข้าใจกฎแห่งกรรมเข้าใจถึงภัยในวัตตะสงสารอะไรก็แล้วแต่ อันนี้เป็นสมาธิทิิในเบื้องต้นหลังจากนั้นเมื่อมีสมาธิทิเพียงพอก็จะทำให้เกิดเป็นสมมาสังกปโปนะครับการดำริชอบว่าจะทำยังไงรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุจะดับทุกข์ได้ยังไงก็เริ่มละเอาจากกาละละออาจากกลางไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนเพราะว่าทั้งสามส่วนนี้สามข้อนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ทาให้เป็นทุกข์ทั้งสิ้นเลย ดังนั้นก็เริ่มละสิ่งเหล่านี้ออกไปมุ่งร้ายเบียดเบียนเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ก็จึงเกิดเป็นศีลที่ตามมาอีกสามข้อในมรรคข้อที่สามสีห้าจากนั้นเมื่อกายวาจาถูกดูแลด้วยศีลแล้วก็เหลือใจที่ยังไม่ได้ถูกจัดการจะทํายังไงให้ใจค่อยๆตั้งมั่นแล้วเห็นความจริงแล้วก็ออกจากทุกข์ได้ ต้องทําให้ใจหมดอกุศลก่อนจึงเกิดมรรคองค์ที่หกละอกุศลซะเมื่อละอกุศลเข้าไปมากๆละอกุศลเข้าไปมากๆจิตใจจะตั้งมั่นทุกครั้งที่มีการละสังเกตดูดีๆนะครับหงุดหงิดสติระลึกปั๊บหงุดหงิดอีกแล้วขณะที่สติระลึกปั๊บหงุดหงิดอีกละ บางคนอาจจะพยายามจะละุดหงิดก็ดีบางคนกลับมารู้ลมก็ดีขณะนั้นจิตใจจะแข็งแรงขึ้นโดยอัดตโนมัติไม่ต้องไปทำเพราะสิ่งที่ทำทำให้จิตใจแข็งแรงขึ้นตั้งมั่นขึ้นเองพอจิตใจเริ่มตั้งมั่นขึ้นจะเริ่มเห็นการเกิดเกิดดับดับของนามธรรมจนกระทั่งรู้ว่าสรรพสิ่งนามธรรมทั้งหลาย เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับทุกเกิดขึ้นแล้วก็ดับเฉยๆเกิดขึ้นแล้วก็ดับจึงเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสัมมาสติเมื่อเกิดสัมมาสติสติเข้าไประลึกแล้วเห็นว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับในที่สุดจะเกิดรู้แจ้งขึ้นมาก็คือว่าสรรพสิ่งว่างจากตัวตนแค่มีเหตุให้เกิดก็เกิดหมดเหตุก็ดับไป เขาจะเห็นของเขาเองในขณะนั้นจิตใจจะตั้งมั่นสูงขึ้นเรื่อยๆเกิดเป็นสัมมาสมาธิในที่สุดแล้ววกกลับไปชําระสมาธิฏิอีกรอบหนึ่งมันจะทํางานหมุนเวียนวนเวียนกันอยู่อย่างเนี้จนกระทั่งเมื่อหมดจะข้อหยาบๆทั้งแปดองค์จะมารวมกันที่ความตั้งมั่นหรือภาวนาแม้แต่การรู้ลมขณะที่เรานั่งสมาธิมรักทั้ง8ดองค์ก็จะเข้ามารวมกัน สัมมาวาจาการดรําริชอบก็คือวิตกวิจารณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่กําลังรู้ลมในขั้นละเอียดของมรรคในระดับจิตเนี่ยมรรคที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เป็นมรรคในลักษณะเป็นข้อๆเพื่อเอามาดําเนินชีวิตหลังจากนั้นแม้แต่การนั่งสมาธิมรรคจะเข้ามารวมกันเป็นหนึ่งในแต่ละขณะจิตไปนับดูได้เลยแปดข้อในขณะที่ท่านจิตใจตั้งมั่นขึ้นมา ทั้งแปดข้อจะรวมกันลงกันเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งชำระตลอดเวลาผููจาชอบไหมล่ะใช่รู้ลมเนี่ยเข้าออกเข้าออกเข้าออกเนี่ยพูดจาชอบขณะที่นั่งละกามเปล่าละละนิวรละกามทุกข้อจะเข้ามารวมกันเป็นหนึ่งหมดถึงตอนนั้นนะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อภาวนาถึงจุด จากอินทรีย์จะเพิ่มเป็นพระพระจะเป็นโพชงกําลังของทุกๆอย่างจะค่อยๆเข้ามารวมกําลังกันสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามรทั้ง8ดองค์เข้ามารวมกันที่เรียกว่ามรคสมังคีเชือกทั้ง8ดจะเข้ามารวมเหลือนสาจากสาจะมารวมเลือนหนึ่งกำลังจะเข้ามาชําระทุกๆครั้งที่เรากําลังนั่งแล้วอย่างนี้ในที่สุดมันจะไปไหนรอดนะครับต้องเกิดแน่ๆสายฟ้าดฟาดลงมาเนี่ย วันนี้เป็นวันแรกในการเข้ามาอยู่ในคอร์สปฏิบัติก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่ทำให้เกิดเป็นสมาธิก่อนเหตุปัจจัยให้เกิดเป็นสมาธิก็คือทำยังไงก็ได้ให้จิตมีที่รวมอยู่สักที่หนึ่งเป็นวิหารธรรมการเดินจงกรมก็ให้ไปมีที่รวมอยู่ที่การเดิน แวบออกไปก็กลับมีกที่การเดินแต่การเดินจงกรมการที่จะดึงจิตเข้าสู่สมาธิจนถึงฌานที่4เนี่ยทาไม่ได้การเดินจงกรมทําได้อย่างมากก็ฌานที่1แต่ก็เพียงพอที่จะพิจารณาทำได้แต่ถ้าจะเอาให้จิตหยุดบริสุทธิ์เป็นสติที่บริสุทธิ์ถึงขั้นฌานที่4ก็จําจเป็นต้องนั่งพรุทธเจ้าถึงได้เห็นให้ความสําคัญเกี่ยวกับการนั่งสมาธิหรืออานาปนสติค่อนข้างมาก แต่ ก, ก็ต้องอีเดียบทก็ ต, ต้องต้องสลับกันไปนะครับสลับกันไปจะมานั่งอย่างเดียวมันก็ไม่เกือ้อกูลอยู่ดีจะเดินอย่างเดียวก็คงไม่ใช่ก็ลองปรับกันดูนะครับลองดูวันแรกๆเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงวันที่สองวันที่สามก็อาจจะเพิ่มเป็น45นาทีนะครับค่อยๆเบียดไปเรื่อยเบียดไปเรื่อยๆนี่จะภาพก็ซื้อนาฬิกา ม, มาแกัแล้วน่าเดี๋ยวได้ก็ตีได้ ที่แรกไม่มีนะครับนาฬิกานี่ก็จะได้อบางคนก็บอกว่าไม่จําเป็นเรานั่งได้แค่ไหนก็แค่นั้น่ะก็ได้แต่ท่านรู้เองถ้าปล่อยนั่งแค่ไหนแค่นั้น่สิบนาทีก็ลุกแล้วนะเอาแล้วพอสมควรแนะ้ <c oughs> ไม่รู้สมควรใครนะสมควรกิเลสนะแต่ถ้ามันได้ ตั้งใจว่าครึ่งชั่วโมงอ่ะครึ่งชั่วโมงสี่ิบห้านาทีสี่ิห้าเออมันได้แบบออกกําลังกายกันบ้างมันเหมือนกับคนยกเวทหรือว่าวิ่งบนสายพานหรือขี่จักรยานอะไรเนี้ยเนะี่ยมันมีเป้าหมายบ้างนะมันจะได้ไม่งั้นขี่ๆโอ้เหนื่อยแล้วเว้ยเลี้ยวอยู่เทิร์นกลับเลยเนี่ยกลับบ้านดีกว่าหรือวิ่งวิ่งเหนื่อยแนละ้วลงสายพานเลยให้มันมีเป้าหมายบ้างมันให้มันตึงตึงตึ ง, ต, งตึงดันขึ้นไปบ้าง พอถึงตรงนั้นมันถึงจะเห็นธรรมไม่ใช่มาท ร, รมานกายหลายคนรึกว่าเอา้าอาตากิรลมาทานุโยโคเนี่ยการท ร, รมานกายทางสุดตรงที่พระเจ้าตัดไว้เนี่ยการมานั่งสมาธิชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นการท ร, รมานกายนะผมบอกพูดผิดพูดใหม่นะนั่งในห้องแอร์บนอาสนะนิ่มๆเนี่ยนะท ร, รมานกายไม่ได้ให้ไปแบกปูนซะหน่อย ทรมานใจละ่ะใช่อตตะกิริมาฐานุโยโคเนี่ยพุทธเจ้าห้ามการทรมานกายนะครับไม่ได้เกี่ยวกับทรมานใจใจตอนนี้มันโดนกิเลสครอบงำเอาไว้ทั้งหมดการฝึกการฝืนเป็นการเผากิเลสขณะที่มันกำลังเผากิเลสจะบอกว่าทรมานได้ยังไง เราโยนเหล็กเข้าไปในเตาหลอมเรายืนอยู่หน้าเตาหลอมเราร้อนนะครับแต่เหล็กโดนเผานะครับถ้าเราเดินหนีหออกจากเตาเผาเนี่ยเราเสร็จมันนะไม่งั้นพระเจ้าจะใช้คาว่าขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสได้ยังไงพระเจ้าไม่พูดเล่นแล้วก็ไม่พูดผิดหรอกนะครับพูดไม่มีผิดครูบาอาจารย์ที่เดินออกไปในป่าในเขาเดินจงอดนดนธุดงอะไรกันเนี่ย กายท่านจะเจ็บปวดท่นก็นแค่การเดินท่านไม่ได้ไปยืนขาเดียวเหนียวกินลมนอนบนตะปูก็เปล่าท่านเดินหลายองค์บอกต้องท ร, รมานมันกิเลสเนี่ยเราอย่าป้อแป้อย่าเอาคํามาเล่นอย่าเอาคํามาเล่ น, อ เ, อ เ, ลนเอาความจริงมารู้ความจริงสมมุติเป็นนั่งอยู่ในปา่าก็ไม่ถึงก็ต้องาตาดักแดดหรอกนั่งใต้ต้นไม้เนี่ยแต่ช่งที่มันก็ร้อน บางคนอยากจะฝึกอินซีอย่างเงี้ยเป็นนั่งไม่ต้องตากแดดนั้นน่นในร่มอะไไม่สบายแต่มันอากาศมันร้อนร้อนก็นร้อนเนี่ยร้อนให้จบแค่ร้อนอย่าปรุงร้อนต่อแค่นี้แต่อย่าอย่าถึงท ร, รมานแบบออกไปตากแดดเดี๋ยวเป็นไข่อยู่ได้วันเดียวเนี่ยร้อนออกไปวันนี้เนี่ยการปรุงแต่งของ โมหะเนี่ยหรืออวิชชาเนี่ยอวิชชาแล้วก็เกิดเป็นสังขารสังขารแล้วกเกิดวิญญาณวิญญาณแล้วก็นามรูปเนี่ยในนามรูปก็มีสังขารการปรุงแต่งยอยู่ทุกคนถ้าไม่พูดดักนั่งอยู่เนี่ยมันเย็นเดี๋ยวพระบอกว่ า, าเดี๋ยวออกไปเดินจงกรมข้างนอกบ พอเปิดประตูพับมันวูบเลยตอนนี้ออกไปเนี่ยวูบโอ้โหมันร้อนกี่วะนี่มันเดือนเมษามินาดฝนน่าจะตกหน่อยมันจะเริ่มไปเรื่อยๆมันจะไปเรื่อยๆทีนี้วันนี้ช่วงนี้เรามาฝึกไอการคิดอย่างเนี้ยถ้าเป็นพระรหรนะัสนักคิดได้เลยเพราะคิดยังไงก็ไม่ดึงมาเป็นกูเป็นกระบวนการคิดเฉยๆแต่ของเราพอคิดแล้ว ม, มันเริ่มอึดอัด มันเริ่มทุกข์เพราะฉะนนช่วงแรกที่ของการฝึกให้มันจบตั้งแต่ต้นอย่าปล่อยให้มันเลยไปที่เรียกว่าคล่ำครวนพ่รีพี่ไลลาพันอย่าให้มันเป็นมันเป็นนิสัยอยู่แล้วละ่ะตอนนี้มันถูกฝังลากลึกมานานแล้วเราจะมาดัดนิสยัยเดินไปวุ้บร้อนอืมร้อนจริงๆจบ อย่าต่อฝึกไว้เรื่อยๆอย่าต่อโอ้ยปวดจังเลเมื่อไหร่จะหมดถ้าสติหยุดเลยเมื่อไหร่จะโออีกตั้งนานไอ้เองเนี่ยมันบั่นทอนกำลังข้างในหมดนะเพราะกำลังจะหยุดค้าควรเลยหยุดกลับมารู้ลมไปฝึกละอย่างเงี้ยวันหนึ่งพอตั้งมั่นวันที่สามสี่ห้าจะเริ่มเห็นว่าพอเดินออกไปอืมร้อนแล้วมันจะจบเลยแล้วมันจะทุกได้ไห เพราะร้อนเป็นธรรมชาติที่ไม่ถูกปรุงแต่งเอาใครมานั่งก็ร้อนใครมานั่งอย่างนี้ก็เย็นแต่อย่าปรุงโอ้เย็นดีไว้ไม่อยากออกละเดี๋ยวเดินจงกรมในนี้ดีกว่าไปเลยถ้าอย่างนี้นะออกไปเดินข้างนอกเลยขี้เกียจขี้เกียจไปเลยขี้เกียจก็ทำไม่ขี้เกียจก็ทำฝึกนี้ขี้เกียจทา ไม่ขี้เกียจก็ทำบางทีขี้เกียจยิ่งทำอยากกินใช้ไหหิวใช่ั้นไม่ต้องกินคือเอาบ้างเอาบ้างปุูบาอาจารย์เท่าที่ดูไปดูประวัติท่านแต่ละองค์ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็ดัดกิเลสกันทั้งนั้นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คอร์สเข้มวันแรกๆเราจะยังไม่พูดธรรมะอะไรกันมากนัก น, นะครับให้ท่านกลับมาฝึกสมาธิตั้งมั่น ส่วนมันจะยังสงบหรือไม่สงบอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งเคยอย่าเพิ่งไปกังวลไม่ต้องไปกังวลมันมากนะครับเพราะว่าขันก็ทำตามหน้าที่ของเขาเพิ่งพากออกมาจากบ้านยังคุยกันยังมีเรื่องงานอยู่ในสมองสัญญาก็ยังโผ่พุพับพุพับก็เกิดสังขารการปรุงแต่งหน้าที่ของเราก็ละไปละไปเรื่อยๆก่อนจะให้บอกว่าโอ้ยสังขารไม่ใช่เราสัญญาไม่ใช่เราตอนนี้มันยังวองไม่เห็นหรอก มันรู้อย่างเดียวว่าโอ้โหมันหุดไวายไปหมดเพราะฉะนั้นก็ละรู้ลมถ้ารู้ว่าดึงไม่ไหวปล่อยมันอยากคิ ด, ค, ดคิดไปให้เวลามคิดสิบนาทีเดี๋ยวมันก็หยุดลองดูนะครับลองใช้อุบายดูบ้างปฏิบททัติธรรมปฏิบัติด้วยปัญญาอย่ารั้งกันอย่างเดียวอย่าสู้กันอย่าตะบันหน้าสู้กันอย่างเดียวในเมื่อเห็นว่าน้าเชี่ยวปล่อยเลยปล่อย ปให้เขาจะเป็นอะไรก็เป็นไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตลบหลังแล้วก็มาว่ากันใหม่เนี่ยต้องใช้ปัญญานะครับอย่าดุยดุยรมอย่าดุยดุยรมบางครั้งการที่เราไปยอมเ อ, เอคิดเป็นบาลังนี้ให้คิดเรืบาลังตัวตวนเราก็ลดลงพอตัวตวนเราลดลงบางทีก็จัดการง่ายขึ้นหรือบางทีกิเลสก็ได้ใจก็ลากยาวเลยเหมือนกัน ก็ต้องพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาค่อยๆหากลายุทธ์วันนี้ใช้ได้ดีพุ่งนี้ก็ใช้ไม่ได้อีกแล้วเพราะกิเลสนี้ก็ความจริงเป็นสิ่งที่เขาสั่งสมมาถึงแม้จะไม่ใช่ตัวตนก็จริงแต่แรกๆก็ดูเหมือนกับเป็นตัวตนนี่นแหละจะว่าไม่ใช่กูอย่างหลวงพ่อเอี้ยนบอกแล้วใครอะที่กําลังเล่นก็มึงเลยอะแล้วทําไมเป็นกูเป็นมึงถึงจะเป็นสองคนสิ ใช่แรกๆ ก, ก็เป็นสองคนเพราะฉะจแล้ว พ, พอกูไม่มีมึงก็เลยไม่มีนั้นนี่มีกูกงนเลยมีมึงแต่วันนึงที่เข้าใจว่าไม่เห็นมีใครเลยไม่มีกูไม่มีมึงพอดับไปคนก็ดับอีกคนก็ไม่มีใครก็ว่างจากตัวตนกันหมดเะนั้นวันนี้มันมีเรามันเลยมีเขาก็ให้มันเป็นเขาไปก่อนนะครับอย่าให้มันเป็นเรา เพราะวันนี้มันเป็นเราปวดก็เป็นเราหายใจก็เป็นเรานั่งอยู่ก็เป็นเราใครก็เป็นเราอะไรก็เป็นเราใครว่าก็เป็นเรามันก็ให้เป็นเขาก่อนมันจะได้งงๆว่ามันไม่ใช่เราแล้ววันข้างหน้าพอมันดับไปได้มันก็ไม่มีทั้งเราทั้งเขาก็จบกันไปวันนี้กลับมาตั้งบ้านก่อนอเดี๋ยวเรามาขึ้นกรรมฐานกันแล้วก็ สวดมนต์กันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเตรียมจิตเตรียมใจบทสวดมนต์เนี่ยทำให้เราจิตใจเนี่ยกลับมาพร้อมกลับมาพร้อมที่จะมาทำหน้าที่มาภาวนาเล ย, เยถ้าอยู่ๆให้ทำเลยเนี่ยจิตเหมือนไ ม, ไม่ไม่มีจุดเปลี่ยนไม่ได้ทำกันบ้านที่เจ้าภาพเขาขอไหม ที่ให้ไปฟังจิตคือพุทธะมีใครไม่ได้ฟังมาั้มครับช่วยยกมือหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อไม่เยอะไม่เยอะโอเคไม่เป็นไรเนี่ยไม่ฟังก็ไม่เป็นไรเพราะว่าฟังกับไม่ฟังก็เท่ากันนะฮะคือไม่ไม่รู้เรื่องเท่ากันหลายคนอาจจะสงสัยว่าให้ฟังอะไรเนี่ย บางคนก็มาเพราะอยากจะรู้ว่าที่ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยมาแล้วจะรู้เรื่องมัม้งไหมเนี่ยไม่แปลกหรอกนะครับเพราะว่าอย่างเสียงอ่านเนี่ยหรือว่าสิบยี่สิบนาทีแรกเนี่ยเป็นการบรรยายสภาวะของจิตหนึ่งซึ่งคาว่าจิตหนึ่งก็คือ หจิตโมกจิตเกลี้ยงจิตเดิมแท้เป็นสภาพที่ใช้เรียกจิตของพระอระหันต์ก็คือนิพพานนั่นเองเพรางัการบรรยายสภาพของนิพพานเนี่ยซึ่งเป็นนามธรรมเต็มรูปโดยไม่มีบัญญัติเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ต้องมาพูดด้วยการใช้ภาษาที่เป็นบัญญัติเป็นรูปเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ยากมากเป็นเรื่องที่ยากมาก แล้วก็เป็นเรื่องที่แทบจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากว่าคนฟังมีสภาวะเดียวกันหรือใกล้เคียงพอฟังแล้วเข้าใจได้ก็กไปยางแต่ถ้าพยายามคิดไปเพื่อให้เข้าใจเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยพอเริ่มคิดก็หลุดออกมาแล้วเริ่มให้ผลก็ออกมาข้างนอกก็คือพ้นออกจากสภาพนี้ไปแล้วดังนั้นการพูดสภาพนี้เนี่ย จึงทำได้แค่ฟังเฉยๆไม่ต้องคิดไม่ต้องถามไม่ต้องสงสัยเลยด้วยซ้าเพราะไม่รู้จะถามอะไรก็ฟังไปเฉยๆแต่มีหลังจากนั้นที่เป็นประโยชน์เหมือนกับถ้าใครเข้าไปอ่านในเว็บสวนยินดีก็จะเห็นว่าการพูดถึงเรื่องนิพพานอาจจะจำเป็นน้อยกว่าการบอกทางไปนิพพานเพราะเมื่อบอกทางไปนิพพานคือมรกมีองค์แเดินไปจนถึงแล้วเนี่ย พอถึงแล้วจะต้องมาบอกอะไรสิ่งที่บรเคยฟังไม่รู้เรื่องก็จะรู้เรื่องขึ้นมาทั้งหมดแต่ว่าผู้ที่เคยได้ยินได้ฟังได้เปรียบใครจะเดินทางไปเชียงใหม่ถ้าเคยได้ยินเรื่องราวของเชียงใหม่ของจอยอินทนนท์ของอะไรตรงนั้นตรงนี้ก่อน เวลาเข้าไปเดินทางไปเรื่อยๆใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปเนี่ยมันก็คล้ายๆกันมันก็จะได้เปรียบแต่ส่วนการเดินทางก็คือเดินตามมาร์กกันอยู่แล้วแต่ได้ยินอะไรที่ประเทิงปัญญาประเทิงความรู้เข้าไปเรื่อยๆเพราะจะมันจะมีบางช่วงบางเวลาที่อืมอ๋อมันก็คล้ายๆกันนะอ่าเดี๋ยวเราเปิดทางวัตเช้าแล้วกัน เรามาทําวัดเช้ากันสักหน่อยก่อนที่เราจะขึ้นกรรมฐานเพื่อเป็นการเตรียมจิตเตรียมใจนนเดี๋ยวเราจะขึ้นกรรมฐานขอเชิญเจ้าภาพครับคุณเดียแล้วก็ฝ่ายหญิง เชิญมาเดียเชิญโยคีหญิงเป็นตัวแทนโยคีฝ่ายหญิงครับ ใ, ใครก็ได้เดี๋ยวเรามากล่าวคำพวกเราก็ดูบนจอไปรเราว่าไปพร้อมกันเลยนะครับ ข้างบนไม่เห็นก็ไม่เป็นไรอิมาหังพระควาอัตตาพาวังตุมหากังปริจชามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้ต่อพระรัตนตรัยเพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐาน นิพพานสเมพันเตสัจจิกรณัตถายะกรรมฐานังเทหิข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้ซึ่งพระกรรมฐานแก่ข้าพระเจ้าเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอิมายะธรรมานุธรรมะปฏิปฏัตติยา รัตนตยางปูเชมิข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนาไตรด้วยการปฏิบัติสมควรแก่ธรรมนี้และด้วยวาจาที่ได้กล่าวอ้างมานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จผลสมความปรารถนาในเวลาอันไม่ช้าด้วยเทินเดี๋ยวเปิด กลวยถวายเครื่องสักการะะพนมมือไว้นะครับ พ, บ ร, อพรอยกเครื่องสักการะถวายพร้อมกัน เ, เดี๋ยวกราบพร้อมกัน เชิญข้างล่าง เ, เดี๋ยวเรามาฟังบทอธิษฐานจิตเพื่อทำความเพียรนะครับในวันที่พระเจ้าจะประทับนั่งที่ใต้ต้นโพธิ์ครับผนมมือ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 คืงตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับด้วยการอธิษฐานจิตว่าเดี๋ยวเราอธิษฐานจิตพร้อมกันหนังเอ็นกระดูกจกเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียร ด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจกหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้แล้วไซภิกษุทั้งหลายพวกเธอก็จะกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งกว่าอันเป็นประโยชน์ของกุลบุตร ผู้ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบได้แต่การไม่นานในทิฏธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่เป็นแน่นอนเอาละนะครับเราก็ได้อธิฐานจิตแล้ว